ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนพบทางผมก็เคยเหมือนชาวพุทธไทยทั่วไป ที่ได้ยินคำว่าวิปัสสนามาแต่อ้อนแต่ออกแต่ฟังคราวใดถ้าไม่นึกว่าเป็นของสูงที่ไกลเกินเอื้อมก็นึกว่าเป็นเรื่องของคนหลุดโลกเลิกเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกโลกอย่างสิ้นเชิงแล้วแย่หนักกว่านั้นก็คือผมได้ยินคนพูดกรอกหูประปรายว่านั่งวิปัสสนามีสิทธิ์เป็นบ้าบางคนเดินวิปัสสนาเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาล วิปัสสนาเลยเป็นคำติดลบอยู่ในหัวผมแรมปีมีหนังสือเล่มหนึ่งคือวิธีทมสมาธิและวิปัสสนาซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงเนื้อหาข้างในอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้เตดตาผมสองสามหนทว่าผมก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาดูเลยกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ขณะนั่งรถประจําทางข้ามจังหวัดไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่จุ่ๆผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นตลอดจนอยากลองดูว่าวิปัสนาเขาทำกันอย่างไรจึงนึกถึงหนังสือเล่มนี้และหมายใจว่าเมื่อลงจากรถสิ่งที่ทำเป็นอันดับแรกคือจะเข้าตลาดหาซื้อหนังสือดังกล่าวมาอ่าน ผมพบหนังสือสมใจและด้วยราคาเพียง20บาทก็ทำให้ผมได้มาเป็นเจ้าของโดยไม่ลำบากนักมีสตางค์ติดกระเป๋าพอซื้อได้ทันทีมีคนบอกผมในภายหลังว่าหนังสือที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือหนังสือเล่มแรกที่ทำให้เข้าใจและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาถูกต้องตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอน ส่วนหนังสือที่เป็นอันตรายที่สุดในชีวิตก็คือหนังสือที่ทำให้คนอ่านเข้าใจพุทธศาสนาผิดผิดจะเพราะบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยรู้เท่าถึงหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามทีแน่นอนครับผมเห็นด้วยร0อเอร์เซ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันแรกที่สนใจใกล้รู้จักวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าผมกลับไปเจอหนังสือวิปัสสนึกของปุถุชนที่ชอบคิดเองเออเอง หากเจอหนังสือวิปัสสนึกตลอดชีวิตที่เหลือของผมแทนที่จะได้เจริญสติก็อาจกลายเป็นทำสติให้เจริญขึ้นเรื่อยๆผมอาจกลายเป็นหนึ่งในนักคิดว่าวิปัสนาคืออย่างนั้นอย่างนี้อาจเป็นนักวิชาการผู้สนุกกับการถกเถียงหาความสำคัญให้ตนเองหรืออาจกลายเป็นสาวกลพลพรรคหวังน้ำบ่อหน้าไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังเข้าถึงกันได้ ปักใจแต่จะเอาดีป้ายหน้ารอเกิดใหม่ในศาสนาของพระศรีอานท่าเดียวมองย้อนกลับไปผมพบว่าปัจจัยที่ทำให้พบครูดีในก้าวแรกก็คือเคยศรัทธาและเชื่อฟังครูดีมาก่อนตลอดจนไม่ทำตัวเป็นสาวกนอกคอกริอ่านเผยแพร่ความเชื่อส่วนตัว คัดค้านคำสอนที่ถูกต้องตรงทางของพระพุทธเจ้าแม้เผือคิดคดหรืออดพูดจาแหวกแนวไม่ได้ไปบ้างก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวกลับตัวกลับใจใหม่ได้ทันไม่หลงเผยแพร่ความเห็นผิดไปจนตายหนังสือเกี่ยวกับสมาธิและวิปัสสนาที่ผมจับเป็นเล่มแรกซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ผู้ใช้นามว่าธรรมรักษา เนื้อหาโดยรวมทำให้ผมเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวิปัสสนาคือการรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจตัวเองเห็นให้ได้ว่ากายใจของตนเองเป็นทุกข์เป็นของไม่น่าเอาไม่ใช่เป็นแหล่งเสพสุขอย่างที่คิดรู้ให้ชัดเพื่อจะได้หมดความติดใจหมดความทยานอยากอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เสียให้สิน้น จุดสรุปรวมของหนังสืออยู่ที่รูปประกอบเพียงรูปเดียวเป็นศพอาซิมคนหนึง่งหน้าตายังดูเหมือนคนนอนหลับแบบเผเยอะปากหน่อยๆแต่ด้านล่างถัดจากลำคอลงไปถูกชำละคว้านตลอดถึงท้องน้อยซี่โครงถูกล้อออกแผ่เผยให้เห็นตับไตไส้พุงหมดเปลือกนั่นเป็นครั้งแรกๆที่ผมเห็นภาพความจริงอันน่าสยดสยองของร่างมนุษย์ มันช่างเป็นความจริงที่ทรงพลังประทะแถมได้บรรทัดทองกำกับภาพของท่านอาจารย์ธรรมรักษาเหมือนถูกตีเข้ากลางแสกหน้าจังๆให้ตื่นจากความหลับไหลคือทุกแท้แรผันเน่าเหม็นแตกดับ ปกติครั้งแรกที่เห็นศพถูกชำละคนเราจะนึกกลัวและอยากเบื่อหน้าหนีแต่ครั้งนั้นผมตาโตและถูกหลุมดำแห่งมหาอสุภะดูดติดแน่นยิ่งมองยิ่งเหมือนเข้าใจซึ้งไปถึงก้นบึ้งแห่งความจริงรู้สึกเหมือนคนตาสั้นที่เพิ่งใส่แว่นเห็นโลกชัดเป็นครั้งแรกตับไตไส้พุงมันแยกกันอยู่เป็นชิ้นชิ้นน่าเกลียดเป็นทุกข์ เสื่อมโทรมและต้องเข้าสู่กระบวนการแตกดับในวันหนึ่งเหมือนกันหมดนี่คือสัจจะที่ดินไปเป็นอื่นไม่ได้คิดหลอกตัวเองให้เป็นอื่นไปไม่ได้จะเกิดเป็นคนชาติไหนภาษาใดก็ตามทีปัจจุบันผมมองย้อนไปแล้วทราบได้ว่าที่เห็นภาพอสุภะ แล้วเกิดอาการตาสว่างตลึงจังงังเป็นเพราะอนิสงส์ที่อดีตชาติเคยเจริญอสุภกรรมฐานไว้ก่อนเคยเห็นอย่างนี้มานานแล้วพิจารณาความจริงโดยความเป็นเช่นนั้นมาแล้วย่อมต่อติดง่ายเห็นอีกทีก็ซึ้งอีกพิจารณาอีกก็เข้าถึงอีกเนื้องสือของท่านอาจารย์ธรรมรักษาจุดประกายให้รู้ตัวว่า ทั้งชีวิตที่เหลือของผมจะเอาไปทำอะไรมันไม่ใช่เพื่อสร้างฝันแปลกใหม่แต่เป็นการดูความจริงที่มีอยู่แล้วในตนเองและมันก็ไม่ใช่การฝึกจิตให้เป็นผู้วิเศษสมอยากแต่คือการฝึกจิตให้ได้เป็นคนธรรมดาผู้หมดอยากและหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงต่าหาก โดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่6กสบเซ็งอ่านโดยโจโชทุกนั้นต้องกนหนดรู้เรียนรู้ในใจตนทุกๆุกสิ่งบนโลกนี้มีแต่ความทุกข์ตรงยามที่เรามีสุขนั้นแสนสั้นดังสายลมสุขทายของคนบนโลกกลม นันคือคือทุกจันทร์เหมือสนสภาพอากาศนั้นมีร้อนหนาเปลี่ยนไปร้อนและหนาวที่เกิดนั้นรู้สึกได้ทางติวกายใครที่เคยหนาวสาุดทานเป็นเพียงเหตุความร้อนคลาย 哪里带？